นิพพานในตัสสะควตอรสัมมาสัมพุทธะสะริิพพานในตูปายะเตวีสะสังวัจเรตระกัญจเจตาทิการิทเวสังวัจระสนอติกันตานิปัจฟันบรเสนะกัญญานดัมมาสสะ สัตว์ร nah ีส sa ติมังขินนางวาเรศนาปนาพุทาวารโหติเตวังตัสสะภะคะวะโตปริณิพานาศาสนาโยกาลคนณะนาสันละเขตภาอีสุภนามาสันดุเพื่อพุทธสาสนาโยกาจาเดิมเถวันปริมิพาน องค์สมเด็จพระวิชิตตมามนรหันต์โดสมัยสัมโพเตจันบัดนี้ล um ่วงแล้วใน 2,523 พรรษาประจันยมบันาสมัยประยมบันนาสมัยกันญาโยนามาเจอทินที่24วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาง พระพุทธศาสนายุการจำเดินถึงวันปริมพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพรภาเจ้านั้นมีนัยะอันพุทธบริสัทธ์เจริงกันดนับได้ด้วยไรการชนีนโูตสะวิคะหตวรหันตุสมัยสมพุทธชนนภูตสะ อะขุวะตุอรหะตุส <th> ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะอะขุวะตุอ a รหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังพระจมี h านังอะโหธานังอาสสะกิจาวะหังโห นโอกาสบั น, นี้นาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในสุทินนังกาเพื่อเป็นเครื่องสดส่งองค์ไสสทาบรามีที่บรรดาท่านิสราท่านะบุญดีท่านหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบ <c oughs> ุญสมัยจำพรรษาคือวันพระเกินทีห้าค่ำเดือนสิบ ตรงกับวันที่24กันยายนพศ2523เป็นวันพุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกว่าฝนตกหนักบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเ่อตาใจในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็มาบำเพ็ญกุศลต้นนความลำบากถึงกะไรก็ดีบรรดาท่านทั้งหลายเรามีจิตเบิกบอกรวมถกุศล ตั้งใจมาตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในเขตสนามพองค์สมเด็จพระทศพันจนได้ยังคิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษทัทกังหลายาที่ว่ามีกําลังใจเป็นสุขินังจริงๆคํำบ้าสุขินังนี้แปลว่ามีการตั้งใจให้แล้วด้วยดีอ <c oughs> ันนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจินนสีพระมรรคศาสนาสมมาสมพุทธเจ้า ไปทรงกล่าวไว้ว่าเจตนาหังนพิกเวปุญญาวาตามิยิ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราแปลวว่าการตั้งใจเป็นตัวบุญ <c oughs> ถ้าว่าตั้งใจในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งใจในเขตของความดีถ้าเราจะทําความดีทุกอย่างองค์สเมเด็จพระพุทมีพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุญทั้งหมด เพราะว่าบุญนี้แปลว่าความดีใ <c oughs> น, นกระบวการในสองผลของบุญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขฉะนั้นบุ ญ, ญยังแปลได้อย่างหนึง่งว่าแปลว่าความดีก็ได้แปลว่าความสุขก็ได้มีการที่บรรดาท่านพุทธบริษทัทงหลายมาบำเพ็ญกุศลบุญยราศีในวันนี้ มาด้วยความวิทยาอุตสาหะเต็มที่เพราะว่าตั้งแต่เช้ามืดฝนตกหนักจนกาะทั่งเวลาที่แดงพระธรรมเทศนาอยู่นี้เม็ดฝนก็ยังไม่ขาดสายแสใยกําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทกันหลายตั้งใจดีจริงๆเหุเจ่นนั้นบรรดาท่านุทธบริษัทชายหญิงจึงพากันมาบำเพ็ญสนญกุได้เป็นปกติที่เราฝ่าล้างฝนมาอย่างหนัก ตอนนี้ไปก็จะข อ, อนำมาประทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาทำว่าสุขิ น, นงังแว่าการให้ดีแล้ววตัตมเมธานางังทานที่เราให้ดีแล้วหนอออสวรกยาวหังโหตุ ข, ขอผลทานนี้จงเปิดเป็นปัจจัยเข้าไปเจ้าสิ้นอาสากิเลตนั่นหมายความถึงถึงผลนิพพานเพราะเอานำมาแยกแยกจะมีเข้าใจความเหมือนกัน การว่าให้ดีแล้วในที่นี้ให้มันมีสองบริการด้วยกันคําว่าทานนี้จะแยกออกเป็นหลายบริการคือหนึ่งอามิสทานและธรรมทานและอภัยทานสําหรับอามิตทานเป็นการให้ทางวัตถุคือเกี่ยวกับใจกับวัตถุร่วมกันสําหรับธรรมทานก็ดีแล้ ว, ว่าแปล ว, ว่าภัยธรญมทานก็ดีอันนี้เป็นการให้ทางใจอย่างยิ่ง วันนี้บรรดาแานพุทธบริษัทแตงหญิงคงจะให้าการสอนในการสําหรับอามิสทานนี้คำว่าสุขินังวัสมีทานนางโหทานนางประมะทานนางคําว่าประมะทานนางนี่ว่าทานที่เราให้แล้วเป็นผลดีอย่างยิ่งเอาสละกยายหางโหตุอันนี้เป็นวาจาที่พระอินทร์กล่าวในสมัยที่ท่านมาใส่บ่ายกับพระมหารกรสบ เมื่อมีโอกาสได้ใส่บาตรจะพระมาหาหัดถศพแล้วสมัยนั้นพระมาหาหัดถศบออกจากวิโรธสมาบัติหลังจาก น, นั้นแล้วจังได้เปลี่ยวาจาได้ปีกิวาสุทินังวัตเมทา น, นางันางโห ท, ทา น, นางังธรมะทานังอิหิสุทินังอาสวกะยาวะหังโหตุได้คำแมาการให้ทานได้ดีของพระอินทมาจะไม่เพราะโ วันนี้ก็จะขอพูดด้านการตั้งใจดีของบุคคลผู้มีความยากจนจะมีผลดีนั่นก็คือนางบุญทาสีที่เป็นทาสของมหาสิทธิท่านหนึ่งคำว่าทาสไม่ใช่หมายความมาลกจ้างลุจ้างนี่เขาใช้งายเขาก็ให้เงินตามค่าแรงงานแต่สมบัติทาสนี้ก็ใสค่คนในแต่กูลนั้นเขาเป็นหนี้ของเจ้าของเงิน ในเมื่อไม่มีเงนให้เขาถ้าคนมาใช้เป็นทาสในช่วงที่ระหว่างใช้เป็นทาสนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับค่จาจ้างรางวัล น, นอกจากว่าเจ้านายจะเมตตาบ้างเท่านั้นจะไปเรียกไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นคนไม่มีราคาแในก็สภาพของทาสนี้ก็ไม่มีกําหนดเวลาอันนี้เพราะว่าจะต้องเป็นที่ค่ารับใช้เขา จริงกว่ากระทั่งคนในเดะกกลุนั้นจะเอาเงินต้นเข้ามาชำระหนี้เบ็ดเสร็จเมื่อไรเป็นแล้วว่าคำว่าเป็นทาสนี้เป็นการเป็นทาสทำงานชำระหนี้คือเป็นชำะต้นเป็นการขัดดอกเพื่อว่าขัดดอกดอกผลที่อยาพงมีขึ้นมาเท่าไรเงินต้นเท่าไรก็ตามทีมีดอกมากดอกน้อยเท่านี้ถ้าไม่มีให้เขาก็อเอาคนไปเป็นทาส แต่ว่าเงินต้นที่ยืมไปแล้วก็กู้เข้าไปยังต้องใช้ตามปกติมีธรรมทาิไม่มีค่าแจา้งรางวัลจังนั้นานางบุญทาสีเป็นคนใช้พระตมหาเศรษฐีนี่นั้นเธอเป็นทาสเขาแต่จ้ว่านำใจของเธอนี้มีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อมไปได้วยพระอริยสงฆ์ ต่อมามีพระเบญบายก็ดีมีพระยเจ้าพระอรียสง์ปบสันปถาปตาหารในบ้านมหาเศรษฐีก็ดีปรากฏว่านางบุญดาศีไม่มีโอกาสจะบัเพ็งบุญสนเพราะไม่มีของแต่ว่าน้ำใจของเธอนี่มีการตั้งใจเคารพในคุณพรัตนะตรายจริงจริงวันหนึ่งปรากฏว่า ย, ยอดหญิงบุญดาศี ได้รับคำสั่งจากนายว่าวันพรุ่งนี้นางบุญเธอจงไปบ้านชื่อโนนท์เพื่อทางไกลมากหลายโยอดเรามีธุระจะต้องใช้กับเธอและนายนายก็มอบหมายธุระให้ <c oughs> แต่ว่าการเดินทางไปวันพรุ่งนี้นางบุญทาสีจึงคิดว่าถ้าเราเดินไปจากที่นี่กว่าจะไปถึงบ้านนนทนในทางมันก็ไกล ข้าวเช้าเรากินที่นี่แต่ข้ากลาวันเราไม่มีโอนก็เย็นอาตี๋อยู่ต่างทางจึงได้ทําขนมพิเศษขึ้นอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าก๋ดีคําว่าขนมพิเศษอย่างนี้เพราะว่าจะไปขอทั้งตานขอมะพร้าวขออะไรจากนายไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นางจึงได้ปลายข้าวละเอียดที่นายเจ้านายเขาไม่ต้องการแล้วมาทําให้ละเอียดจงเป็นของขึ้แป้ง แล้วก็เอารำเข้ามาทุบผสมกันเอาน้ำใส่พอเหนียวๆก็ทำแผ่นได้แล้วก็ปิ้งเพื่อจะนำไปกินตามทางในวันพรงนี้พอรุง่งุ่เช้ารับทานอะาหารแต่เชา้าแล้วก็ไปตามคำสั่งของเจ้านายทันทีในคืนวันนั้นปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจินดารสีวรมศสสสันดาลสัมมาสัมพุทธเจ้า ในตอนยามที่สี่องค์สมเด็จประมหามนีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์รับรากฏว่าองค์สมเด็จประทรงสวัสดิโสภาคเห็นภาพนางบนทาสีว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปบ้านโน้นและในชายพกของเธอจะมีข้าวเป็นจีขนมเป็นจีที่เปี่ยงแล้วสมข้าวกับรำะสมกันมาด้วย พระองค์ก็ทรงตรัอไปว่าเหตุอะไรหนอต่อมาก็ทรงทราบด้วยน้าพรทติยานว่าถ้าโดยช่วยนางบุญทาวีในคราวนี้นั้นนางบุญทาสียะได้สมเด็จตัวโซนดาบันฉะนั้นในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระกัลบริมศาสดายังได้ทรงเรียกพระอนนท์ที่เป็นปัจฉาสมนะคือผู้ตามหลังผู้ปฏิบัติ ให้ไปพระองค์สมเด็จพระทุนสวัสวตีสภาพตอนเช้าพระองค์ก็เดินทางสวนทางมากับนางบุญทาสีเมื่อนางบุญทาสีเห็นองค์สมเด็จก็มหามนีกับพระอนนท์เดินสวนทางมาจิงได้คิดในใจว่าโอ๋เนอเรื่องบุญกุศลเราตั้งใจจะธทำมานานแล้วแต่ถ้ว่าเวลาที่พบองค์สมเด็จก็กระเทียแก้วกนดี พบบรรดาประสงค์ทัานหลายคนดีเราไม่มีโอกาสทําบุญถ้าเป็นคนไม่มีทรัพย์ในเมื่อเราพบท่านเราก็ไม่มีของในเวลาที่มีของที่เจ้านายให้กินให้ใช้เราก็ไม่พบพะเราก็ไม่พบพระวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากทีอยองสมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้ า, จาพร้อมไปด้วยพระนลอยสล็จมาเมื่อเธอก็เดินเข้าไปพระพุทธเจ้า ก, ก็เดินเข้ามา พอเข้ามาใกล้นางจึได้กราบลงกับพื้นกล่าวคำนิมนต์ในเอวังติธะตะพันเตนแปลเป็นใจความว่าเขาได้โปรดหยุดยืนอยู่ก่อนเถิดให้เจ้าข่าดสมเด็จพระบรมศาสดาจะได้โสกยินประทับด้านนอนกยินด้วยนางบนทาสีในแก้ชายพกซึ่งนำอัญจีไปด้วยนั้นแก้เช่าปรากจากชายพก แในก็ น, น้อมเข้าไปใส่บาตองค์สมเด็จพระบรมมฤคยุทธ์คณะเมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระภาครับแล้วเทอก็ัตริยนมาสกการเปล่งวาจาว่าทำใดที่องค์สมเด็จประจอมไต ร, รบริศาสธิ์สันดาส ม, ม า, ส, าสมเด็จเจ้าสมรู้แล้วขอหม่อมฉันได้โปรดมีโอกาสจงรู้ทา น, นั้นโดยเถิดเพื่อการสมเด็จพระบรมสันดาแทนที่รับว่าเอวังโหตุ ก็ทรงรับด้วยการดุษณีภาพคืยืนเฉยๆนิ่งอยู่ระหว่าง น, นั้นนางบุญทาสีในคิดต่อไปว่าทานที่จะถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจสนดามันเป็นขนมชั้นพลาดคือคนธรรมดายเขาไม่กินกันการที่เอาข้าวสารมาตำเป็นรำแล้วทำเป็นเส้นขีย่อเป็นของธรรมดาของชาวั้าน ถ้าเจ้านายที่เป็นมหาเศรษฐีเขาอยาประสมนมเนยมีรสท่าเป็นการให้มันมีรสอร่อยแต่ว่านี่เราเป็นคนเป็นทายของเขาทรัพย์สมบัติใดๆของเรามันไม่ถึงมีลายข้าวที่ได้มาครันี้ก็เป็นลายข้าวที่เจ้านายไม่ต้องการและมันก็มีปริมาณน้อยมันก็ไม่พอจะกินยลยต้องเอามาผสม อาหารประเภทนี้คนที่ก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่ยมจะบริโภคกันฉะนั้นวันนี้เราจะถาวายทานประเภทนี้กับองค์สมเด็จพระวิชิตมารมันเป็นทานที่สภาพต่าำต้อยอย่างยิ่งแต่ว่าเราเป็นทาสเมื่อถวายกับองค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้ผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับขึ้นชื่อว่าบุญใดที่องค์สมเด็จไตรจอมไตรบริบศาสนา ทรงบับเพิ่มมาตั้งแต่ต้นจนเอาอภิานวันนี้เราได้กราบทิงญาณว่าขอเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วก็ชื่อว่าผลอันนี้จะมีกับเราสาหรับแั้นจีนองสมเด็จพระพุ้มีพระพ่าเจ้าท่านจะฉันและถ้าจะโยนทิ้งก็มงไม่เป็นไรเพราะมันมีของเหลวก็ชื่อว่าเราได้บุญแล้ว อง์สมเด็จพระบัณฑีตแก้วทรงทราบวาระดัมจิตขอนาบุญชาสีว่านาบุญคิดประเภทนี้แต่นางบุญก็ไม่ได้ไม่ได้ ม, ม, มีความน้อยใจตั้งใจแต่เพียว่าการให้ทานพวกเราเป็นบุญเป็นบุญศนและก็้าสมเจตนาของตนก็ได้ให้ทานแล้วองสมเด็จพระบัณฑิแก้วประทานนาจะทรงโปรดนางบุญชาสี สำเร็จพระบาหาวันนี้จึงได้มองดูหน้าพระอนุนพระอนย์นก็ทราบพระราชาิพระพุทธยาศัยจึงได้นำผ้าสังกติีพระองค์สมเด็จไลยจอดกายพับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูลงไปข้างข า, งขางไม่ใหปูปลกลางทางถ้าปูลกลางทางมันขวางกางเจราจอนพระทมไม่ได้ ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสนาจนึงได้ทรงประทับยนต์ผ้าสังขาติดและก็ทรงเปิดบาตรนำเป้นจีข้านางบุญทาสีมาเสวยนางบุญทาสีตั้งเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ไกลก็เกิดธรรมปีติไม่คิดไม่ถึงเลยว่าทานชั้นเลวอย่างนี้สมเด็จพระจนาสีวรมศาสสดาจะทรงฉัน อาศัยปีติตอนต้นไม่ได้ทำบุญทําทานองค์สมเด็จพระชิตมารเป็นชั้นที่หนชั้นดีสองเธอตัดสินใจว่าองค์สมเด็จเคยจอมใจจะทรงฉันหรือไม่ฉันก็ตามที่ว่าเราให้รับเป็นบุญอันนี้เป็นเจตนาดีที่เร า, า, า, า, นน า, าเรียกว่าสุขิ น, านนางวัชเมธานางว่าเรียว่าสุขินนางประวัฒนานาง ว่าทานที่เราให้ดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วอย่างยี่คือไม่ติดในวัตถุทานที่ให้ให้ไปแล้วยังไงยังไงเราก็ได้ผลได้กุศล ส, สมเร็จพระทศหุือว่าพระสงฆ์จะฉันหรือไม่ฉันไม่เพิ่มขันมันสาคัญว่าเราให้แล้วด้ความเต็มใจเพื่อการให้ตรวนี้กำลังใจมันตัดโลภความโลภ สำหรับคุณนางบุญพาสีนั้นไม่ไดตัดคาโทสโลภะความโลภอย่างเดียวทัพปีหามันได้โดยยากและชีวิตก็าตนให้เป็นการให้ในการตัดโทสโลภะความโลภนี่และต่อมาในขั้นที่สองยอดหญิงก็มีธรรมปีติว่าเราให้แล้วด้วยความอิจใจโดยการที่สามนั้นไ้นางมีกำลังใจเป็นสันโดษเทเมา พว่าทานที่เราให้แล้วนี่องค์สมเด็จพระบษษรมศาสดาจะฉันหรือไม่ฉันไม่เป็นไรที่ว่าทําใดดีองค์สมเด็จพระจอมไตรสมรู้แล้วเราถวายทานแล้วเราขอพรแล้วจะไม่ย่ำได้นี่เป็นกําลังใจใหญ่ขึ้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสเวสวยเสร็จก็ทรงอัโมงนาทั้ง์ผุนทาน ในตอนนั้นสมเด็จพระพิธิตามายแท่กับนางบุญทาสีโดยตรงว่าคุณทาสีเราดูก่อนคุณทาสีการบำเพ็ญทานของเธอนี้จัดว่าเป็นมหากรุสใหญ่ยิ่งว่าเทินทายของเธอนี้ยอดน้องหญิงเพราะด้นมาพระเจ้าเฉลียเผู้หญิงวันพักกินนี้วันน้องหญิงเสมอ ว่าการที่น้องหญิงบำเพ็ญทานจะบำเพ็ญทานในบุคคลอื่นทําได้โดยยากด้วยการที่มีความสําคัญเพราะว่าการเดินทางของเธอเป็นระยะทางไกลแล้วก็บัญชีที่นํามาคราวนี้ใส่ก็นํามาเพื่อจะบริโภคระหว่างทางเพราะมันได้หิวเล็กรางเวลาระหว่างทางเวลาเดินทางที่ยังไม่ถึงในการให้ทานของเธอคราวนี้ชี้ว่าเป็นการให้ทานในการตัดชีวิต ไม่ได้คิดที่จะมีความอะไรในชีวิตต่อไปจัดว่าเป็นมหาโกศใหญ่ฉะนั้นทายของเธอที่จะมีขึ้นมันได้ก็อาศัยหนึ่งเมตตาความรักใน ไ, ได้าของความดีที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในศาสนา น, นี้ปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสไปสมบูชีตระาหารันเธอเห็นแล้วมีความเรื่มใสสันดาบใจของเธอรักความดีของมบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายลังนั้นมีพระราหารเป็นต้น ข้ อ, อดีสององสมเด็จพระทศ ก, กุลกล่าวว่าเธอมีกลุณาความสงสารพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้แต่จะทาคตเองได้รับความเมตตาปรานีจากเธอเมื่อกี้นี้ได้ถาวายเป่นจีซึ่งเป็นของที่ทํามาเพื่อทรงชีวิตขึ้นบการทาคตและการทาคตติดฉันแล้วเพื่อเป็นการประทังชีวิตให้ทรงอยู่ในวันนี้ต่อตอนต่อาหางของเธอ ดังนั้นทานนี้จึงจัดว่าเป็นทานที่มีคุณอย่างยิ่งที่ยอดน้องหญิงประกอบด้วยเมตตาความรักคุณศลความสงสารและบริการสุดท้ายองค์สมเด็จพระคิดธรรมานทรงตรัสว่าวาระนอนจตของเธอที่คิดว่วสมเด็จก็ผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงฉันบัญนจีของเราหรือไม่นั้นก็ตามพระเป็นของฉันแล้ว ตามบุตรีพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหารก็ดีจมฉันในบ้านมหาเศรษฐีบ้างฉันในวังพระสัส ด, สดาบ้างความคิดเช่นนี้ของเธอถูกบางส่วนแต่บางส่วนมันไม่ถูกเพราะว่าพระพระทั้งหมดมีพระมีพระองค์เป็นประธานมีชีวิตเนื่องต้องชาวบ้านเพราชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงชาวบ้านให้เท่าไหร่พระเภศไหนพระย่อมมีความพอใจเท่านั้น ทานของเธอหนี้จีงจัดว่าเป็นทานอันเลิศชุวาเป็นการให้ชีวิตในตอนเช้าและได้ตลอดทั้งวันและองค์สมเด็จพระจิตตมานี้ได้สอนแต่พว่าทำใดที่เธอปราทานนะทำนั้นเธอจงตั้งใจไว้ว่าหนึ่งชีวิตสิ่งของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอจงอย่าอะไรในชีวิตคิดเสวะจิตที่เราอยู่ในชาติเขามานเด่นกรรมมันจะชาติแอดีต แต่เวลานี้ชาตินี้ควรจะเป็นชาติสุดท้ายของการหมดกรรมเพราะเธอได้พบเราซึ่เป็นตถ า, าคตได้เป็นสมมารพระเจ้าสอนสอนพระธรรมบริษัทให้มีความสุขเธ อ, อจงอย่าสนใจในชีวิตเกินไปคิดไปเสมอว่าชีวิตนี้เกิดวันแล้วมันต้องตายแต่ก่อนจะตายควรจะทรงความดีให้เป็นปกติเพื่อพิ่งความเป็นทาสทั้งชาตินี้และชาติหนา้า <c oughs> นอกจากทาตของคนแล้วองค์สมเด็จพระทศวนก็กล่าวว่าจงไกลจากความเป็นทาตของกิเลสด้วยเขากําลังทานของเธอจะช่วยให้พ้นจากความเป็นธาตของกิเลสด้วยกำลังหนึ่งไม่ตาความรักกุณาความสงสารเม่ตาความรักกุณาความสงสารนอกจากจะเป็นเหตุให้ให้ทานได้แล้วก็เป็นปัจจัยให้มีศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศินให้เพรเธอจงรักษาด้วยดี เพว่าชีวิตก็เธอชาตินี้เป็นชาติต่อไปถ้าเราสารศีลห้าป ก, กปติบริโวณศีเลนะสุกติยันติปัจจัยของศีลจะเป็นเหตุให้เคยเธอเกิด บ, บนสวรรค์มีความสุขแต่กลับเรามาเกิดชาติเป็นคนใหม่ก็จะมีได้ความสุขปราศจากความทุกข์ศีเลนะโคกสมถายปัจจัยรี่ยไรทางคราวนี้หนาจะรับนี้จะมีศีลเป็นเครื่องค้าไปกัน ถ้าเป็นเทวันดาวก็จะมีทิประสมบัติมากมีวิมานสวยถ้ากลับมาเป็นคนก็จะมีแต่ความร่ำรวยปราศจากความยากจนเขินใจสีเลนะนี้พรติงยันติมีไซปรากฏว่าสินเป็นปัใจจัยเทเข้าถึงพระนิพพานไม่โด้ง่ายและองสมเด็จพระจอมไตรปริมศาสัสดาสนดาก็ทรงสนอสนับอัรว์หพระพุทธวาจาว่าตาสมาสีลังมิโสทะเย เพราะฉะนั้นขอเธอจงส่งชำระสิ่เทีบริสุทธิ์ปอดใสั้นเมืององสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดิ์สันดาษสมมาสมุทรเจ้าเคจจบก็ปรากฏว่านางบุญทาสีนรสลาประดิษฐิผลเป็นพระิยาบุคคลในพุทธศาสนานิรันร์ดาแต่พุทธบริษัทต่างหลายโดยทนนาการกล่าวว่าจาว่าสุขินางวัาจะมีทานนางอย่างรีดเป็นต้น ในการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังตัดชินใจเยี่ยงนางบาุญดาศีอันนี้องค์สนเ็จตประมหามณีก็ทรงยุกย่องว่าเป็นทานชั้นเดิศเป็นทานประเสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาทป็นพุทธบริษัททั้งหลายมีกำลังใจรั ก, ร ก, รกสักสินโดยเฉพาะสินห้าเป็นปกติแล้วก็มีเจตรักเทวิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พระเจ้ทาทรงกล่าวว่าท่านโู้นั้นเป็นตรโสดาบัน ให้กำลังใจของทุกท่านประ ก, กอบไปด้วยความเมตตากรุณาทาั้งสองประการจึงกําลังใจของท่านนั้นมีแต่ความเมตตาความรักกรุณาความสงสารปราศจากโทษะความโกรธหรือความเพียรบาทได้เห็นกําลังอํานาจร่างกายของเราลงเขาว่าเป็นของสุบลกึงช่างไม่ยึดถือว่าบินเาเป็นเขาต่อไปไม่มีความอะไรในร่างกายเพราะนคนดีเขาเป็นคนอื่นกนดี ถ้ากำลังใจเกิดขึ้นได้เป็นสองริการนี้กำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทจะพอใจในสินน้นแปดและก็จะรักษาสิ้นแปดเป็นปกติอย่างนี้สมเด็จพระมหามีทรงเรียกว่าพระอนนาคามีอาณบรรดาธรรมพุทธบริษัทต่งางๆการนำพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จเปินสีปรมศาสตร์เสนาสัมมาสองพุทธเจา้าได้ข้อว่าสุติ น, นางวัาตามีขันนางเป็นต้น ก็ขอยุติพระธรรมเทสนาพระองค์สมเด็จพระทศกุลลงในเพียงนี้ในที่สุดพรทธมเทสนานี้จะามาภาพขอตั้งสัจจียาดิฐานอ้างคนประสิรัตนต์ไทยมีพระพุทธ ร, รัตนะธรรม ร, รัตนะแด่สัง ร, ร, รตัตนะสาสารเการยงดลบรรดาแห่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีติความศักดวัสิทธิพระัฒนมองคลสมบูรณ์บนผล และจงเจริญไปด้วยจาาตุทัพิตะพ ร, รชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันน่าสุขาพระราละบปฏิภาณหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ขอยได้ส่งนิ้นสนความปรารถนาจนทุกประการอาตมารับทานมิศุกนามาในสุดนางคาถาก็ขอุติพระสัตวรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงชทนี้เอวังก็มีฤทธกาลชนี